ตอนที่25้ารัชศกชูลิ้งตระหนักถึงสถานะของตนเองอย่างชัดเจนการที่เขาได้ขึ้นเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์แห่งต้าวินั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขานอำนาจบางอย่างเสียมากกว่ามิเช่นนั้นในสถานการณ์ที่เร่งรีบเช่นนี้คงไม่มีทางยอมให้เด็กน้อยที่มีเช่บุตรภรรยาเอกและมีเช่บุตรคนโตอย่างเขาขึ้นครองบัลลังก์ดังนั้นคนเราต้องรู้จักมองตนเองให้ทะลุปลุกปลงอย่าได้ริอ่านทำอะไรเกินตัวไปท้าทายผู้อื่น หากยังไม่ทันสืบซ่าสถานการณ์ให้แน่ชัดและข้างกายก็ยังไม่มีผู้ที่เรียกใช้ได้หากไม่รู้จักดูทิศทางลมแล้วบุ่มบามทำอะไรที่ออกนอกลูก่นอกทางนอกจากการจะตายให้เร็วขึ้นแล้วก็คงไม่มีประโยชน์อื่นใดอีกส่วนเรื่องพิธีบรมราชาพิเศษที่หลี่จงกล่าวถึงนั้นชูหลิงไม่มีความสนใจแม้แต่น้อยเขาไม่ได้เอ่ยถามแม้แต่คำเดียวเพราะเขามีสิทธิ์เข้าไปก้าวไายอย่างนั้นหรือไม่มีเลยในเมื่อไม่มีสิทธิ์แล้วจะเสียเวลาเสียแรงไปลองดีทำไม หากเกิดไปทําให้ใครบางคนเริ่มระแวงแล้วลงมือทําอะไรขึ้นมานั่นจะเป็นการได้ไม่คุ้มเสียสําหรับชูหลิงวันต่อมาณนะตําหนักต้าซิงหลังจากเสด็จกลับมาจากตําหนักหมิงเตอ๋อในสวนหลวงชีวิตของชูหลิงก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักแม้จะต้องเปลี่ยนที่อยู่บ่อยครั้งแต่ความเป็นอยู่จริงๆก็ยังเหมือนเดิมกินข้าวนอนหลับขอบเขตที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จํากัดอยู่เพียงแค่บริเวณถงหลักแห่งนี้เท่านั้น ส่วนที่อื่นๆชูหลิงยาได้หวังจะไปเลยในฐานะจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์แห่งต้าอาวี๋ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งการสวรรคตอย่างกระทันหันของต้าสิงห้องตี้ได้ส่งผลกระทบอย่างเงียบเชียบในหลายด้านโดยเฉพาะการแสดงออกของชูหลิงในยามที่ไปเคารพศพหน้าจุด ก, กลมของต้าสิงห้องตี้ประกอบกับเหตุเพลิงไม่ที่ตำหนักต้าสิงในคืนนั้นทําให้ผู้คนจํานวนมากตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างยิ่ง ตาอาวี๋ไม่อาจทันทนต่อการสูญเสียจักรพรรดิถึงสองพระองค์ภายในเดือนเดียวได้หากเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นจริงไม่เพียงแต่ราชสำนักส่วนกลางเท่านั้นแม้แต่ตามหัวเมืองต่างๆก็จะต้องเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่เป็นแน่ว่านชิวเ อ, อ๋อเจ้าต้องเก่งมากแน่แน่ใช่ไหมชูหลิงที่เองกายอยู่บนบันลังเอ๋อถามว่านชิวเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างกายเจ้าฝึกฝนเคล็ดวิชาอะไรมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเจ้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ไหม เมื่อพูดถึงตรงนี้ชูหลิงก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงจ้องมองว่านชิวเอ๋อตาเขมง็งหม่อมฉันทำเป็นเพียงการสังหารเพคะว่านชิวเอ๋อตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยช่างหน้าเบื่อจริงชูหลิงเห็นดังนั้นจึงแสซงทำเป็นผิดหวังตอนอยู่ตำหนักหมิงเตอก็เป็นเช่นนี้อยู่ตำหนักต้าซิงก็เป็นเช่นนี้เหตุใดนิสัยของเจ้าถึงได้เย็นชากว่าข้าเสียอีกข้านั้นแต่ก่อนตอนอยู่จวนสิบ อ, องไม่มีใครอยากคุยกับข้านิสยัยจึงได้เย็นชาและไม่ค่อยชอบพูดแล้วเจ้าละ่ะ จะมีประสบการณ์เหมือนกับข้าอย่างนั้นหรือแววตาของว่านชิวเอ๋อร์สันไหวอย่างเห็นได้ชัดที่แท้ก็มีความต่างจริงๆด้วยชูหลิงเห็นภาพนี้แล้วมุมปากก็ผุดรอยยิ้มขึ้นมาในเมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปของว่านชิวเอ๋อร์ชูหลิงจึงถือเสียว่าคนผู้นี้คือหูตาที่ใครบางคนส่งมาวางไว้ข้างกายเขาในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ต้องคอยลองเชิงอยู่เป็นระยะและต้องรู้จักเสแส้งแกล้งทาด้วย ชูหลิงมีตอนนี้อายุเพียง8ดขวบแม้จิตใจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เขาต้องแสดงค่าทางให้สมกับวัยของตอนเองหากเขาแสดงออกว่ามีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินไปตั้งแต่ต้นจนจบคนที่คอยจับตาดูเขาอยู่ย่อมต้องคิดมากในบางช่วงเวลาที่สำคัญเป็นแน่อย่างไรเสียายามว่างก็ไม่มีอะไรทําการได้พูดคุยและแสดงละครต่อหน้าว่านชิวเอ๋อผู้นี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีสําหรับชูหลิงดูเหมือนข้าจะดาวถูกสีนะชูหลิงรวบรวมสมาธิโน้มตัวไปข้างหน้าพลางพิจารณาว่านชิวเ อ, อ๋อ ข้าสงสัยนักเวลาที่เจ้าอยู่คนเดียวเจ้าคิดอะไรอยู่ในใจคิดถึงครอบครัวหรือคิดถึงอะไรเวลาข้าอยู่คนเดียวข้ามักจะคิดเสมอว่าหากข้าโตเร็วๆแล้วได้ไปยังดินแดนในปกครองของตนเองบางทีข้าอาจจะได้ไปล่าสัตว์บ้างเมื่อพูดถึงตรงนี้ชูหลิงก็พิงเบาะนุ่มใบหน้าเผยความรู้สึกอ้างวัางออกมาได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่า จ, ากจักรพรรดิเทจู่เก่าฮ่องต้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งนักโดยเฉพาะวิชาขี่มา้ายิงธนูที่เลิศล้ำ ชูหลิงพูดคล้ายรำพึงกับตนเองและคล้ายพูดกับว่านชิวเอ๋อในฐานะลูกหลานของพระองค์หักแม้แต่วิชาขี่ม้ายิงธนูก็ยังทําไม่เป็นมิใช่ว่าจะถูกคนใต้ล่าหัวร้อยย่อเอาหรือจริงสิเจ้าขี่ม้ายิงธนูเป็นไหมเป็นบ้างเพคะว่านชิวเอ๋อตอบสั้นๆได้ใจความจริงหรือชูหลิงแซงทําเป็นดีใจลุกขึ้นมองว่านชิวเอ๋ออีกครั้งใช่นั้นเมื่อผ่านไปอีกสักพักเจ้าช่วยสอนวิชาขี่ม้าให้ข้าได้หรือไม่ข้ายังคงปรารถนาความรู้สึกยามควบม้าทะยานไปข้างหน้า ก่อนหน้านี้ได้แต่คิดอยู่ในใจแต่ไม่เคยได้ขี่จริงๆเลยสักครั้งในเมื่อการจะทำลายหมากในกระดานใหญ่เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นดังปีนป่ายขึ้นสวรรค์เช่นนั้นเขาก็ต้องหาทางเจาะทะลวงจากจุดเล็กๆไปทีละน้อยความสำเร็จในทุกเรื่องล้วนเกิดจากการผ ส, สมทีละเล็กทีละน้อยนี้ใช่ว่าจะสำเร็จได้ตั้งแต่เริ่มแรกในใต้ล่านี้ไม่เคยขาดแคลนอัจฉริยะแต่สิ่งที่ขาดแคลนคือคนที่มีความมุ่ง ม, มั่นและมานอดทน ชูหลิงรู้ดีว่าการที่เขาจะกลุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินในตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเมื่อทำไม่ได้เขาก็ต้องหาสิ่งที่เขาสนใจทำไปก่อนการเล่นสนุกนี่คือจุดทะลวงที่ชูหลิงหาให้ตนเอง จักรพรรดิที่รักการเล่นสนุกอาจไม่ใช่จักรพรรดิที่ดีเสมอไปแต่ส่วนใหญ่ล้วนมีความคิดเป็นของตนเองและไม่ยอมถูกพันฒนาการอย่างน้อยชูหลิงก็รู้จักประวัติศาสตร์ในชาติปางก่อนว่าจักรพรรดิเหล่านั้นไม่มีใครที่เรียบง่ายเลยเพียงแต่ในบันทึกประวัติศาสตร์มักจะมีทั้งคำสรรเสริญและคำดาทท่าทอคละๆกันไปอย่างเช่นจักรพรดรดิเจิ้งเตอ๋อจูโฮเจ้าแห่งราชวงศ์หมิงหรือจักรพรรดิเทียนฉีจูโยเซี่ยแห่งราชวงศ์หมิง ในช่วงก่อนขึ้นครองราชหรือแม้แต่ช่วงแรกที่ขึ้นครองมลาลังสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญไม่ได้ดีไปกว่าตัวเขาเลยแต่พวกเขากลับใช้ความรักสนุกจนสามารถหาจุดทะลวงออกมาได้หากพระองค์ทรงอยากเรียนหม่อมฉันสามารถสอนได้เพคะครั้งนี้ว่านชิเออร์พูดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเทียงแต่พระองค์ทรงมีพระวรกายล้ำค่าการจะฝึกวิชาขี่ม้าให้ชำนาญ น, นั้นลำบากยิ่งนักหม่อมฉันเกรงว่าพระวรกายของพระองค์จะทรงรับไม่ไหวจะเป็นไปได้อย่างไร ชูหลิงเชิดคางขึ้นแ้งคำท่าทางอดดีความลำบากที่มากกว่านี้ข้าก็ทนได้หากแม้แต่วิชาขี่ม้ายังเรียนไม่สำเร็จเช่นนั้นข้าก็คงอ่อนแอเกินไปแล้วการเรียนวิชาขี่ม้าไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของชูหลิงจุดประสงค์ที่แท้จริงของชูหลิงคือการใช้การกระทำนี้เพื่อให้คนรอบข้างได้เห็นว่าการให้ความสำคัญกับวรยุทธ์คือหลักฐานในการสร้างชาติของตาอวี แม้กระทั่งในตอนนี้ต้าอาวี๋ก็ยังอยู่ใกล้ชิดกับสงครามเหล่าศัตรูที่แข็งแกร่งตามชายแดนต่างพากันจ้องมองต้าอาวี๋ตาเป็นมันและเพระเหตุนี้เองในยามที่ต้าสิงห้องตี้ยังมีพระชนชีพอยู่จึงทรงปรารถนาที่จะปฏิรูปการปกครองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้เร็วที่สุดเพื่อหาทางประลองกําลังกับศัตรูเหล่านั้นให้รู้ผลน่าเสียดายที่ตาสิงห้องตี้สวรรคตดดเสียก่อนเมื่อคนตายไปทุกอย่างก็จบสิ้น เรื่องที่จะทําสงครามกับศัตรูหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในภายหลังสิ่งที่ชูหลิงต้องพิจารณาในตอนนี้คือเขาจะสามารถใช้จุดทะลวงเล็กๆ เ, เหล่านี้เพื่อให้ตนเองได้สัมผัสกับผู้คนมากขึ้นเพื่อที่จะมองหาคนที่ควรฆ่าแก่การดื่มมาเป็นพวกได้หรือไม่แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะใจร้อนไม่ได้จากรพัฒด์ผู้สื่อราชสันติวงศ์เหล่าขุนนางจากสํานักจงซูและสํานักเหมือนเสี่ยขอเข้าเฝ้าพายาค่ะหลี่จงรีบเดินเข้ามาจากนอกตําหนักประสานมือรายงานต่อชูหลิงที่กําลังอารมณ์ดี พิธีบรมราชาพิเศษใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วพวกเขาได้ร่างราชศกเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้วบัตรนี้ได้นํามาถวายเพื่อให้พระองค์ทรงเลือกพยาค่ะรอยยิ้มบนใบหน้าของชูหลิงเลือนหายไปในขณะที่เขากําลังคิดว่าจะเล่นสนุกอย่างไรในที่ที่เขามองไม่เห็นกลับมีผู้คนจํานวนมากกําลังวุ่นวายอยู่กับพิธีบรมราชาพิเศษเพียงแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเล่า ไม่ว่าจะทำอะไรชูหลิงก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจการจะรู้หรือไม่นั้นดูเหมือนจะไม่สำคัญเท่าใดนักกระมัง